ที่ก่อนได้อ่านข่าวหนึ่งเป็นข่าวที่อ่าให้แรงบันดาลใจมากนะเป็นเรื่องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวอเมริกันอายุแค่เก้าขวบเป็นเด็กที่ใจงามใจประเสริฐมากไปเจอคนไร้บ้านนะขออาหารขอทานซึ่งตอนนี้มีในอเมริกาเยอะแต่ก่อนเนี่ยเธอก็ สงสารแล้วก็ของเงินแม่ตอน น, นอายุห้าขวบก็ของเงินแม่นะซื้อขนมปังซื้ออาหารมเพื่อแจกให้กับคนไร้บ้านที่เห็นอยู่หน้าร้านแม่ก็ให้นะแต่แม่ก็บอกว่าเราไม่สามารถจะช่วยคนได้ทุกคนนะเธอก็ทำอย่างนี้ทั้สองสาครั้งนะก็คงได้คิดว่า ه, ถ้าเราจะไปของเงินแม่อยู่เรื่อยๆมันคงไม่ดีนะ เธอก็เลยเกิดแรงเกิดความคิดว่าเราปลูกผักดีกว่านะเราปลูกผักแล้วเอาผักนะั่นแหะนะไปให้คนยากคนจนหรือว่าคนไร้บ้านแลนะ้เธอก็ไม่ใช่แค่คิดนะลงมือทาด้วยตอนนอายุเก้าขวบแล้วลงมือทาทาแปลงผักฝรั่งนี่เขาก็มีพื้นที่นะ สวนหน้าบ้านบางสวนหลังบ้านมันแกก็ทําแปลงผักเด็กก็ไม่ค่อยรู้เรื่องปลูกผักนะก็ไปถามคนนั่งคนนี้หรือค้นคว้าจากตํารานะในอเมริกามันมีตําราทุกอย่างแกก็อ่านนะตําราเกียเรื่องปลูกผักก็ปลูกหลายชนิดบล็อกคอรี่แครอทนะปลูกไปได้สักพอสักสองสาอาทิตย์เนี่ยมันกนะ็ออกผลละ ก็รวบรวมนะเอาไปให้คนยากคนจนก็คงไม่ได้มากหรอกแต่ตอนหลังเนี่ยมีคนมีเพื่อนบ้านรู้ก็มาช่วยก็มาช่วยปลูกผักนะทำสวนหลังบ้านเนี่ยร่วมกับเธอนะผู้ใหญ่ก็มาเด็กก็มาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ได้ผักได้ผลผลิตนะที่มากนะก็ไปแจกก็คงจะแจกไม่ทั่วถึงนะ แต่ว่ามันก็ทําให้เกิดกําลังใจเพราะคนที่ได้รับเขาก็มีความสุขนะตอนหลังเธอก็ได้ข้อมูลว่ามันมีคนที่ไม่มีบ้านอยู่นะคนเหล่าเนี้ยบ้านมันราคาแพงเธอก็คิดภาษาเด็กนะว่าเอองั้นเราช่วยสร้างบ้านให้เขาเหล่านั้นดีกว่าก็ไม่ทราบว่าจเจ้าที่ทางจากไหนานะนี้ในข่าวไม่ได้บอกแต่เอาเป็นว่าเนี่ยก็ ลงมือสร้างบ้านเลยสร้างบ้านหลังเล็กเล็กเด็กก้าวขวดศึกขัวก็ไม่ค่อยรู้นะว่าทำยังไงนะก็ก็เปิดตำราถามผู้รู้แล้วก็ไปซื้ออุปรกรณ์ก่อสร้างมาเริ่มต้นจากศูนย์นะทำไปได้สักหลังเลือดจะยังไม่ไม่ครบหลังนะคนรู้เขาก็มาช่วยนะตอหลังบริษัทก่อสร้างเนี่ยพอรู้ก็บอกว่าโอ้ยินดีนะ จะขายวัสดุก่อสร้างราคาถูกๆให้งั้นก็ก็เลยทำนะอย่างต่อนเนื่องหนังสือก็เรียนนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีเวลาไปเที่ยวหรือเปล่านะก็ปลูกผักปลูกก็ยังปลูกผักก็ยังทำอยู่นะแล้วก็สร้างบ้านหลังพอที่จะอยู่ได้ไม่แข็งแรงนะแต่ว่ามันก็พอจะจะไดยเป็นเพิงให้อยู่ได้ผ่านมาสี่ปีแล้วนะเด็กคนนี้ชื่อเฮลิฟอร์ดเฮลิฟอร์ดนะแล้วก็ ตอนนี้ก็สิบสองสิบสามแล้วนะสร้างบ้านมาให้คนยากคนจนละสิบเอ็ดหลังนะมาผักนี่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะที่เธอได้ปลูกตลอดสี่ปีนะก็เป็นข่าวนะที่มันสร้างความประทับใจนะให้กับคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยสามารถจะทำอะไรเพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ได้ทั้งนั้นนะแม้เป็นเด็กก็ยังทาได้ถ้าหากว่าไม่คิดไม่เพียงแต่คิดแต่ลงมือทา เมื่อก่อนหนะ้านี้สองสมปีก็มีเด็กคนหนึ่งนะอันนี้ก็น่าทึ่งมากนะเจออยุห้าขวบมันเป็นอเมริกันนั่นกันน ะ, ะชื่อแคทเธอรีนนะคอมเมลวันหนึ่งก็ดูโทรทัศน์กับแม่ก็มีสายการสารคดีว่าในแอฟริกามีคนตายไม่เว้นแม่แต่เด็กเนะด่เพราะเด็กนี่เยอะมากตายเพราะโรคมารเรีย หนึ่งคนทุกสามสิบวินาทีข้อมูลแบบนี้ผู้ใหญ่ฟังก็ผันผ่านนะเพราะได้ฟังมาเยอะแล้วนะแต่แคทเธอรินฟังแล้วเยมันอย่างนั้นเฉลยเนี่ยครึ่งนาทีตายหนึ่งคนเนี่ยหนึ่งนาทีก็ตายสองคนลวเธอก็เลยถามแม่ทำไมเขาตายแม่ก็บอกเป็นมาลาเรียแล้วทำไมถึงเป็นมาลาเรียก็เพราะยุงนะนะ ดังถ้ามีมุ้งเนี่ยนะมันก็จะทําทให้ไม่มียุ่มากัดอยู่ไม่มาแพร่เชื้อน้งเธอก็เลยเกิดความคิดขึ้นมานะค่าขนมที่เธอได้มาเนี่ยเธอไม่ไปซื้อขนมนะวันรุ่งขึ้นนะครูก็แปลกใจครูก็เลยถามแม่ว่าเนี่ยวันนี้ไม่เห็นแคทเธอรีเนี่ยมาซื้อขนมเลยเธอไม่มีเงินเหรอแม่ก็เลยไปถามแคทเธอรีแคทเธอรีก็เลยบอกว่าเงินค่าขนมเนี่ยจะเก็บเอาไว้ซื้อมุ้งนะ มุ่งมาราคาสิบเหรียญเธอก็เก็บจนได้สิบเหรียญ น, นะแม่ก็สมทบด้วยนะแล้วก็ไปบริจาคให้องค์กรการกุศลนะองค์กรหนึ่งชื่อว่าน o t h i ง g b u เน e t ไม่เอาอะไรนอกจากมุ่งนะ อ, อ่องค์กรนั้นก็ส่งจดหมายมาขอบคุณนะยิ่งรู้ว่าคุณเด็กห้าขวบนี่บริจาคเงินแล้วก็องค์กรนั้นก็บอกว่าเนี่ยถ้าหากบริจาค สิบมุงนะมุงสิบหลังนะจะได้ใบประกาศเกียรติคุณนะ้เธอก็เกิดกำลังใจนะพยายามที่จะหาเงินมาซื้อมุงทำยังไงอะ่ะไม่มีปัญญานะก็เอาของเล่นเนี่ยมาเปิดท้ายขายของนะชวนแม่เปิดท้ายขายของท้ายรถะนะแต่ก็ขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เงินก็ยังได้ไม่พอก็เกิดความคิดว่า มูลนิธินี้เขาให้ใบประ ก, กาศเกียรติคุณกับคนที่บริจาคมุ้งสิบเหรียญ น, นะเั้นถ้าเกิดว่าใครเนี่ยซื้อของให้เราเนี่ยสิบเหรียญนี่เราก็ทําใบประ ก, กาศเกียรติคุณบ้างเ ข, ขียนข้อความว่าในนามของคุณนะฉันซื้อมุ้งให้กับเด็กยากจนที่แอฟริกาเธอก็วาดรูปนะวาดรูปนะทำใบประ ก, กาศเกียรติคุณได้มือเราก็วาดรูปด้วยตั ว, ว, ว, ว, ว, วเองเส้นชื่อได้ตัวเองด้วยนะนเด็กเข้าใจใหญ่นะ เซ็นชื่อนะเทเตอรินคอมเมลนะมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่บริจาคเงินซื้อมุง้งนะช่วยชีวิตคนเอไว้ถ้าเพื่อนบ้านเห็นก็มาช่วยนะมาช่วยเขียนทาใบประกาศเกียรติคุณนะก็สามารถจะเก็บเงินซื้อมุ้งได้นะสิบหลังร้อยเหรียญ น, นะแจกใบประกาศเกียรติคุณสิบใบมุ้งนี้เอางเงินนี่ก็ส่งไปที่มูลนิธินี่แหละนะมูลที่เขาก็โ้ยตื่นเต้นดีใจมาก เขาก็เลยส่งใบประกาศเกียรติคุณมาให้แต่คนนี้แคทรีนก็เลยทําใหญ่เลยนะคราวนี้ตอนหลังนี่ไม่ต้องเปิดท้ายขายของแล้วเพราะว่าแค่บริจาคเงินมาเนี่ยเธอก็เขียนใบประกาศเกียรติคุณให้ใครใครก็อยากได้ใบประกาศเกียรติคุณก็ส่งเงินมาใหญ่เลยแล้วบางทีเธอก็ทํามากกว่านั้นไปพูดตามโบสถ์นะไปพูดตามโบสถ์ได้เงินมาปีแรกได้เงินมาหกพันกเรียนนะก็ซื้อในมุ่งได้หกร้อยกว่าหลังนะ ตอนหลังเธอก็ทำใบาประกาศเกียรติคุณเนี่ยส่งไปที่แบ็กแคมเนี่บ็กแคมเนี่ยร <laughs> ู้จกักแบ็กแคมเหรอเธอเห็นแ บ, บ็กแคมนี่นักฟุตบอลนี่ยนะไปโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับมูนิธินี่ก็เลยเขียนใบประกาศเกียรติคุณให้แบ็กแคมก็เลยเอาใบาประกาศเกียรติคุณของเธอนไปโฆษณาไปราสัมพันธ์คนก็เลยบริจาคเงินกันมาใหญ่ตอนหลังเธอเกิดความคิดนะทำใบาประกาศเกียรติคุณให้คนรลลวยดีกว่า ฉบบหนึ่งก็ส่งไปที่บิลเกตนะบิลเกตบอกว่าเนี่ยเด็กเงินของคุณคนเนี่ยกําลังจะตายนะเพราะว่าไม่มีเงินซื้อมุง้งนะแต่คุณนี่สามารถช่วยได้นะส่งไปที่บิลเกตบิลเกตโอ้ยบริจังเงินให้เป็นล้านเลยนะก็เป็นนั้นว่าเธอสามารถที่จะรวบรวมเงินได้เป็นจํานวนนะั่นเรียกว่าเป็นล้านเลยนะซื้อมุ้งได้ได้เยอะมากนะ เขาก็ประเมยว่าเธอก็สามารถจะช่วยเด็กได้ถึงสองหมืนคนนะจากมุ่งที่เธอส่งไปให้เนยะอันนี้ก็เป็นเรื่องทึ่น่าประทับใจมากนะเด็กห้าขวบแล้วก็ทำจนกระทั่งเจ็ดขวบมัง้งคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญ น, นะที่เด็กสองคนที่เป็นผู้หญิงนะนะอาจจะเป็นเพาผู้หญิงนี่ก็มีจิตใจเมตตานะอ่อนไหวง่ายแล้วก็คงไม่ใช่บังเอิญที่เป็นเด็กนะคือเป็นผู้ใหญ่นี่ก็อาจจะมี ความเมตตามันก็แต่คิดว่าโอ้ยมันคงไม่ได้ผลหรอกหรือว่าทำไปมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกอย่างแม่ก็บอกเด็กที่ชื่อเฮนรี่ว่าเนี่ยเราช่วยไม่ได้ทุกคนนะไอ้ความคิดแบบนี้มันก็ทำให้ไม่ค่อยอยากจะกระตือหรือล้นอะไรผู้ใหญ่นี่ยมีประสบการณ์เยอะก็รู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะท ำ, ทำช่วยชีวิตก็คงจะไม่แก้ปัญหาไม่หมดแต่พอคิดแบบนี้เข้าก็เลยไม่ได้ทาอะไร ส่วนเด็กนี่เรียกว่าใหม่มากไร้เดียงสานะบริสุทธิ์พอคิดอยากจะช่วยก็ลงมือทาเลยแล้วก็ไม่ได้คิดละเอียดนะหรือไม่ได้คิดว่าช่วยแล้วมันจะปัญหาปันจําหมดไปจากโลกหรือไม่ก็ทําเท่าที่ทําได้นะแต่มันก็เป็นกำลังใจที่ช่วยทําให้คนนะผู้ใหญ่นะก็รู้ว่าไอ้ตัวเองเราจะนิ่งดูได้ไม่ได้ขนาดเด็กนี่ยังทําเลยนะเพราะเขาคิดว่า ถึงแม้จะแก้ปัญหาไม่หมดแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้ทำอะไรสักอย่างเมืองไทยก็คงจะมีเด็กแบบนี้นะเด็กที่มีน้ำใจแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับโอกาสหรือว่าพ่อแม่อาจจะไม่ส่งเสริมนะเด็กทำไปแล้วนี่พ่อแม่อาจจะอาจจะพูดกับกับลูกนะเหมือนกับแม่ของแคทเธอรีนวะ่าเอ้ยเราปัญหาคนนี้มันแก้ไม่หมดหรอกนะแล้วก็เด็กก็อาจจะเลยท้อนะ แต่ว่านี่แม่เขาคงจะส่งเสริมในระดับหนึ่งด้วยนะก็ทําให้สามารถจะเอาเวลาเรียนไปปลูกผักได้หรือเอาเวลาเรียนไปเอาเวลาพักผ่อนนะไปปลูกผักเอาเวลาที่ควรจะเรียนหนังสือนะหรือทําการบ้านไปสร้างบ้านได้อันนี้ก็ต้องแต่ความสับส่วนจากพ่อแม่เมืองนอกนี่เขามีการส่งเสริมเยอะแต่เมืองไทยเด็กมีความตั้งใจดีแต่อาจจะไม่ได้รับการส่งเสริมก็ได้หรือว่าทําไปแล้วถูกคนเขา ถูกเพื่อนนะว่าก็ได้นะเคยมีเด็กที่บ้านตากบินทองเนี่ยนะเดินตามพราไปบินธบาตนะสะพายสะพายบาทนะเด็กก็ยุบ ม, มาสิบขวบนะตื่นเช้าเนี่ยตามพราไปบินธบาตนะเพราะว่าของใส่บาทเยอะทำไปได้สองสามวันก็บอกหลวงพ่อนะแกะเลยแกมาทักแกมาบอกทินาบาบอกวันนี้ผมไม่ไปแล้วเอาทำไมอะ เพื่อนมาล้อนะเพื่อนมาล้อนะเพื่อนมาล้อที่ตามบาตอตามบาตรพระไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ใครทําดีเนี่ยก็อาจจะถูกล้อมันก็เลยเกิดความรู้สึกว่าไม่กล้าทําดีนะแต่กล้าทําชั่วนะเรียกว่ากล้าทําชั่วกลัวทําดีอันนี้เป็นเป็นเยอะนะใครทําดีบางที่ถูกล้อบางที่ถูกย้ำเหยียดนะ ก็เลยไม่ทำนะทำไมได้สักพักก็เลิกทำละเพราะว่าถูกล้อนะแต่เมืองนอกนี่อ่มันจะมีค่านึ่งอีกแบบเนี่ยใครทำดีเขาก็ส่งเสริมนะส่งเสริมช่วยกันคนละไม้คนละมือมันก็เลยเกิดเด็กแบบแคทเธอรีนหรือว่าเฮนรี่ได้เมืองไทยถ้าเราเด็กเนี่ยได้รับความส่งเสริมพ่อแม่ก็ดีนะหรือว่าเพื่อนเอนเ่อเออเขาทำดีแล้วก็ช่วยอ่สนับสนุนหรือว่า สรเสิร์หรือว่าทำตามมันก็ทำให้เกิดมีคนดีแบบนี้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะอาลกักกนะ็เตรียมรับพรอิชิตังปฏิตังตุมพังคอยถ้์ผลที่ท่านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วมีบเมวะสามีชาตรูจงสำเร็จโดยฉาพรสาเพภูเรนตูสังกับปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่ ธันโทพนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพลนมานิโชติราโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพิติโยวิวชัชานตุว่านจารายทั้งพวงจงบำราชไปสาภะโรภวินาสตุโรคทั้งพวงของท่านจงหายมาเตภวัตอันตารโย ο, อันตารายามีแก่ท่านสุขีธีาพาโยโภพวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิริสนนจังุทธาปจายนโนจัตตารธรรมาวาทันติอายุวันโนสุพังพาลังต่างสี่ประการคืออายุวันนาสุขาบลั ย่อมเจริญแก่บุคคลทูลมีปกติไหวกราบปกติอ่อนนอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิพาวาตุสาพมังคารังขอสาพะมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาเทวตาภราเทวดาทั้งวงจงรับสาท่านสาพาพุทธานุภาเวน่ด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้า สาพาธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสาภาสังภานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งภาสองสาตาโสติภาวนตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านดูเมื่อเทอน